โหยถ้าเห็นจะตื่นเต้นไอ้ยอมผู้ชายเนี่ยเห็นจีวรแล้วก็น้าหูน้ำตาไหลลงนอนไม่หลับเลยอยากจะหม่มเขาคิดขนาดนั้นไหเคยเคยเกิดรุนแรงขนาดนั้นไหมงั้นถ้าใครเกิดขนาดนั้นเน่ะแสดงว่าอทธยาสัยในการที่จะน้อมบรรญัตชาน้อมบวชที่สูงมากคือใจที่นอนไม่หลับเลยเพอเห็นจีวรนั้นนอนไม่หลับอยากจะหม่มอยากจะ อยากจะสละอยากจะโกนศีรษะเพื่อจะเข้าไปหม่มทั้งๆยังไม่รู้เหตุผลอะไรเลยเด้อใครเคยเกิดรุนแรงขนาดนั้นไหมนั้นตรึกเข้าไว้ทําสัตตินรียให้แข็งแรงวิริยินีสติินรีสมาตินีและปัญญียแข็งแรงในการคิดในการวิจัยในการพิจารณาในมุมนี้เยอะๆใช่ไหมเพราะเราไม่รุนแรงในใจเราท่านทั้งหลายแบบนี้นี่แหละเวลาเห็นก็เฉยๆขนาดเขาถวายที่วานเอ้ะเอา้เอาเหมือนกันเอ้าเหมือนกันอยู่เนี่ยนะ นี่ก็ต้องใครควรพิจารณาดิพรมนั่นแหละนะครั้งนั้นพระธีบังกรหมาบุรุษก็คองผ้ากาสายะธงใช้แห่งพระอรหันต์ที่เทวดาถวายเวียงโคผ้านุ่งเนะผ้าห่มไปในอากาศพรมก็รับปอะผ้านั้นแท้ที่จริงนะแท้ที่จริงท่านก็เ อ, อท่านบอกว่าหลังจากนั้นเบ็เสร็จแล้วก็ท่านก็ถือพักขันก่อน ท่านตัดพระเกศาด้วยพระมงกุฎเวียงไปในอากาศเท้าสักกะก็รับเอาพระโอครองคำมารับมวยผลเมืองท่านไปบรรจุไว้นั่นแหละที่ที่มงกุฎเจดีสำเร็จเป็นแก้วมณีดอกอินทนิลขนาดสามยน์อยู่ยอดขุนเขาสิเนรุเห็นไหมนั้นเอเจดีอะเจดีที่บรรจุพระเกศาของพระโพธิสัตว์เนี่ย แสดงเห็นชัดเลยว่าภูเขาสินเนรูเนี่ยเป็นทริปจริงๆใช่ไหยอดภูเขาซินเนรูเนี่ยมีเจดีก็คืนสวรรค์นั่นเองแล้วก็นั่นแหละเป็นที่บรรจขุของพระเกศาของพระทีปังกรบริสัทธ์แล้วแล้วตาอย่างเราจะไปเห็นได้ยังไงภูเขาสิเนรูใช่ไใช่ อันนี้ก็เป็นเครื่อ ง, งยืนยันว่าเออพวกเขาเสเนยรู้นั้นเป็นโลกทิพย์เราไม่เห็นได้แต่คนตาดีทั้งหลายท่านเห็นแล้วก็ท่านก็สละผ้าออกพรหมก็รับผ้าไปทำเจดีสำเร็จด้วยรัตนะทั้งหมดนะขนาดสิบสองยอในพรหมโลกบรุรหนึ่งโกรบวชตามเลยนะวันนั้นนะ่ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ตดรัสรู้เป็นพระเจ้าเนะี่ยหนึ่งโกรนี่เท่าไหร่เท่าไหร่สิบล้าน พอเห็นบวชก็บวชตามเนี่ยดูทีท่านหมาบหน้าตอนบวชมีคนบวชตามกี่คนมีไมไม่มีสักคนเลยเนี่ยดูบุญที่เนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยถือาคนมีบุญนะมาบวชแต่ละทีคนบวชตามต้องเป็นสิบล้านคน ประการต่อมาก็คือว่าท่านก็แวดล้อมด้วยบริษัทแล้วได้บำเพ็ญประธานจริยาประพฤติความเพียรอยู่สิบเดือนแล้วก็วันเพ็ญวิสาขะก็ไปบินธบาตมนุษย์ทั้งหลายก็หุงข้าวปลาญาติเป็นต้นอัลนี้ก็เบ็ดเสร็จตามลำดับในนะในรายละเอียดอมาจะไม่ตามลงไปเยอะแล้วถ้าตามลงไปในรายละเอียดเยอะนี่ก็จะค่อนข้างกล่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะ ก็จะเป็นการประวัติของพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าซช่นอนามามีโอกาสจะบรรยายนิจสองครั้งนั้นนนเดงจะสะรุปนี่นะก็คงจกบรรยายให้ละเอียดยากโดยเฉพาะเวลากระท้อนกระแท่งอย่างเงี้ยนะันก็เลยพยายามอยากจะเก็บรายละเอียดให้เราท่านทั้งหลายที่จริงๆประเด็นสําคัญที่สุดก็คือว่าอัฏฐะในคําสอนเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ อ, ออกมาให้ได้ให้เห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในมุมต่างๆให้ได้ พระทีบังกรมหาบุรุษนะั้นสวยข้าวปลายาดแล้วก็ทรงพระ ก, กังวันณป่าสาละในราชอุทยานแล้วท่านอยู่ในพระราชอุทยานคือท่านตอนเป็นพระเจ้าเป็นดินเลยนะเวลาเย็นก็ออกจากที่เล่นแล้วก็สระหมู่คณะรับญ้าคาแปดกรรมที่อาชีวกชื่อว่าสุนันทาถวายแล้วก็ไปโย น, นต้นไม้สําหรับที่จะ น, นั่งตัสรู้ชื่อว่าปิบพริหรือไม้เรียกปูราชญาประทับนั่งทัสมาธิใต้ต้นไม้ตัตรู้ในขนาด เก้องไว้เบื้องปริสดางทรงอธิษฐานความเพียรมีองค์สี่ก็นั่นแหละเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปก็ตามทีจะเหือดแห้งหายไปก็ตามทีจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ตัดสัรู้นุตตะสัมมาสัมปวิญาณและจกไม่เสด็จลุกขึ้นพระพระุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนจะตัดสรู้นั้นเรื่องความเพียร น, นี่เป็นเรื่องปกติของท่านว่าท่านเพียรมาอย่างอุกฤษในชีวิตในสังสารวัฏ ท, ที่ผ่านมา เราท่านทั้งหลายต้องกลับไปบ้านลงไปตั้งแค่สามชั่วโมงเออสองชั่วโมงเนื้อเลื่อๆจนเหือดแห้งหายไปก็ตามทีจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีอันหนึ่งถ้าไม่ได้สองชั่วโมงจกไม่ลุกขึ้นก็ท <c oughs> ําทําไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยและจะไม่กรธ ด, ด้วยนะสองชั่วโมงเนี่ย <c oughs> เรามาไปตั้งความเพียรครั้งแรกนะตอนลอง อ, อยากจะตั้งความเพียรอย่างว่าหมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าบ้างใช่ไหมแม่เล่นทั้งทีแรกเราจมาเล่นสามชั่วโมงเลย ไม่เคยนั่งเลยอะบวชใหม่ๆเลย่ใจปรารถนาจะทดลองพอนั่งไปได้แค่ชั่วโมงนึงโอ้โหทุกวเวทนาเริ่มบีบคันนะ้นทนกัดฟันได้อีกครึ่งชั่วโมงเหลืออีกชั่วโมงครึ่งทํำไงเล้ย์น่าเข้าน่ะเข้ายังไไอท้ทูบก็ไม่หมดดอกนะัมาเอาทูบเดียวนะให้ทูบอ่ะเอ๊ะทํายังไงลืมตาดูทูบก็ไม่ยอมไหม้หมดอนะมาก็เป่าทูบใหญ่ดนะิ <laughs> <laughs> กลัวทูบจะดับก็นขนาดนั้นแนละ้เป่าเป่าไปเลย โอ้หแทบตายก็นั่งไม่เคยนั่งแบบนั้นเลยใช่ไหมก็มาฝึกนั่งครั้งแรกก็อยากจะทำอย่างมาไม่รู้แต่ก็ต้องทนพร พ, พูดไปแล้วทําไงโอ้นั่งแทบตายเลยพอเสร็จก็คานออกมาไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะไม่รไม่รู้จะเดินกุศลจิตยังไงตอนนั้นไม่รู้อะใจมีศรัทธาแต่ไม่รู้จะเดินกุศลจิตยังไงเห็นไหมว่าเราทําแบบไม่มีข้อมูลเนี่ยเสียหายเพราะพุทธิศาสตร์ท่านมีข้อมูล ในสังสารวัตรที่ผ่านมายี่สิบประสงขายยิ่งด้วยแสนหมากับนั่นคือข้อมูลของท่านนั้นท่านนั่งไงท่านก็คิดได้ท่านมั่นใจท่านรู้ข้อมูลเบ็ดเสร็จกระแสะความคิดของท่านเนี่เร็วรวดเร็วมากช่วงหายใจเข้าแล้วหายใจออกท่านระลึกชาติได้ทั้งเก้าสิบเอดกับเม่เรานี่หายใจตั้งเป็นล้านครั้งยังระลึกได้แค่ระลึกอดีตยังจําไม่ได้เลยวันนี้ไปลืมเมื่อเช้านี่ไม่รู้กินข้าวไปกี่คํายังไม่รู้เลยเนี่ย เอาตอนเพลเนี่ยตอนเที่ยงได้นับไห ม, ไมกินข้าวไปกี่คบเลอะเลือนหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเผลอๆ เ, เข้าห้องน้ํากี่ครั้งยังไม่ได้นับเลย เ, ลยเนี่ขนาดนั้นเลยสติเราทั้งหลายเนี่ยเลอะเลือนขนาดนั้นนั้นถึงบอกว่าเพราะเราขาดการเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะเจตพระโพธิสัต์ทั้งหลายเป็นเรื่องปกติเลยเรื่องสติของท่านนี่แข็งแรงมากราตีแห่งปสมัยามท่านก็ได้ปุเพนิวาสานุติยาน พอมัดชิมยามก็ได้จุวตูปปาตาญานพอปัดชิมมยามก็ได้อาสวะขย่ายาตรงนี้ในรายละเอียดจะไม่เข้าไปตามรายละเอียดเพราะรายละเอียดตรงนี้เอาไว้กล่าวตอนถึงที่พระเจ้าของเราได้ตรัสรู้องค์ปัจจุบันจะกล่าวในรายละเอียดตรงนี้หลังจากนั้นท่านก็เปล่งอุทานปฐมพจน์ที่บอกว่าอนเนกชาติสังสารัง สันดาวิตสังอนิพิสังขะการังขเวสันโตดุขาชาติปุนาปุณังขะการะกติโทสีปุนาเคหังนกาะสีสบบาเตพาสุกามคาขะกูตังวิสังขตัง วิสังคาระกะตังจิตังตัณหานังขยามัชฌาติเราได้แสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเนี่ยนะเมื่อไม่พบไม่พบอะไรเมื่อไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไม่พบโพธิญาณไม่พบในที่นั้นนะต้องขยายคำว่าโพธิญาณด้วยนะจึงท่องเที่ยวไปใน สงสารหมายความว่ากระแสขันทตาอายตนาของเรานั้นจึงละหกละเหินเป็นไปในวัตดสงสารนับชาติไม่ใช่น้อยชาติในที่นั้นคือนับปฏิสนธิไม่ใช่น้อยคือปฏิสนธิที่เกิดมาในสังสารวัฏการไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณม า, ายี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัาบเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบครั้ง ไม่ใช่ปฏิสนที่ยี่สิบครั้งเนียแต่ปฏิสนทีนะั้นับไม่ได้เอาแค่ว่าเอาแค่ว่ากับเดียวเนี่ยไม่ต้องเอานับอระสงค์ไข่กับเดียวเนี่ยลึกโยดเห็นไหมกว้างโยดเห็นไ ห, น ห, นหนมร้อยปีเอาเมล็ดงาทิ้งไว้เม็ดเห็นไ้มเมล็ดงาเต็มนั้นเนี่ยกับนึงเนี่ยยังมากกว่านั้นหน่อยมากกว่านั้นเห็นไหม แล้วนี้อสงไขยจะนับยังไงฉะนั้นพระองค์อยู่กับปฏิสนธิอยู่กับชาติคือการเกิดการที่ต้องแบกบารมีไว้ในตนแบกทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้ในตนเนี่ยในการท่องเที่ยวไปเนี่ยเมื่อไม่พบสัมมาสัมพวิยาณเนี่ยแสนจะทรมานเหลือเกินเพราะการที่จะพบโพธิ์อย่างอื่นเนี่ะง่ายสําหรับท่านแต่สัมมาสัมโพวิยานเนี่ยยากใช่ไหมถ้าพบ ปเจกโพธิ์ก็สองอสองไขยหรืออัคครสาวกโพธิ์ก็คือหนึ่งอสองไขยยาเงี้ยสาวกธรรมดาก็คือแสนกับบ้างหมื่นกับเป็นต้นบ้างอันนี้สัมมาสัมโพธิเนี่ยยี่สิบสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับฉะนั้นการที่ตถาคตหรือพระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์เจ็บปวดมากทรมานมาก ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาเป็นต้นเป็นจนถึงเวขาบา ร, รมีเป็นที่สุดอุ ป, ป, ปบปราบ ร, รมีสิบบารมัทธบารมีสิบที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและโดดเดียวเดียวใดมาเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะคิดยังไงเราพิจารณากันยังไงในฐานะที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าฟังคําสอนของท่านแล้วก็ประกาศปฏิญญาณตนเองว่าเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเนี่ยเออเรานั่งคิดกันยังไง ความเพียรที่พระพุทธเจ้าความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถมทับในกระแสขันธะอายตนาของพระองค์มาอย่างยาวไกลเนี่ยนะพระองค์ลําบากเพื่อใครเอ๊ะทําไมเรามองไม่เห็นคุณของท่านนะทําไมกระแสพุทธคุณเอ่ยกระแสพระธรรมคุณสังฆคุณต่างๆโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณทําไมไม่หลั่งไหลลงสู่กระแสขันธ์ของเราท่านทั้งหลาย ทำไมไม่ราดลดลงสู่ใจิตใจของเราให้เห็นคุณของท่านให้ชัดเจนทําไมคุณของพระบรมศาสดาไม่ปรากฏในใจของเราชัดสักทีเลยหรือปรากฏก็น้อยนิดเหลือเกินเนี่ยนะทําไมมันน้อยเหลือเกินระหว่างห่วงเนี่ยนะแล้วห่วงกลัวว่าคุณธรรมในใจของเรามันจะสลายไปกการเราห่วงวัตถุกรรมเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันเนถ้าเรากลัววัตถุกรรมจะสูญหายกับกลัวคุณธรรมคือศรัทธาเป็นต้นจะสูญหายเนี่ยอะไรน่าห่วงกว่ากัน แล้วตอบได้เลยใช่ไหมศรัทธาหน้าหน้าน่ากลัวมากกูว่ากลัวจะหายแต่ด้ยวยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าศรัทธาหายเราเสียดบเสียดายขนาดนั้นไหมบ้งทีเราก็เฉยๆางงนะเอ็มเป็นเพราะอะไรอใจทใําไมด้านขนาดนั้นเนาะไอ้ ก, ก็ลองมานั่งพิจารณานั่งคิดนั่งไตรตรองดูนะว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ใครควรพิจารณาตรวจสอบไปเรื่อยๆเนี่ ย, ย <c oughs> ตรงนี้ท่านบอกว่า เราแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเมื่อไม่พบรู้ยังไม่พบตอนนี้คือไม่พบอะไรไม่พบอะไรไม่พบอะไรนะถามทั้งเกือบร้อยคนตอบคนเดียวเมื <c> ่อ <oughs> ไม่พบอะไรอ่ะเนี่ยไม่พบ สัมมาสัมโพธิญาณท่านก็เที่ยวไปสิ้นสงสารภาษาเนี้ยอ่านแล้วเข้าใจยากสิ้นสงสารแปลว่าสังสารวัตรนับไม่ได้นับด้วยชาติไม่ใช่น้อยนี่ภาษานับด้วชาติน่ะเป็นจานวนมากท่านจะต้องประสบชาติคือการเกิดการประชุมของขันห้าขันหนึ่งขันสี่เนี่ยในพบน้อยพบใหญ่อ่ะ นับไม่ได้ไม่ใช่น้อย <c oughs> การเกิดบ่อยๆเป็นทุกไหมเ <c oughs> กิดเมื่อไรทุกสิบเอ็ดกองก็ติดตามมา <c oughs> ที่จริงสิบสามเลสันไปชาติที่ทุกใช่ไหมชาราปยาธิมรณะโสกกับริเดวะทุกขโทมนะสาวาญาต ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วก็พลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยโย่ออุปาทานกันหน้าเป็นโดยทุกข์รูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละตัวทุกข์ฉะนั้นบรรดาทุกข์ทั้งหลายเบียดเบียนท่วมทับกระแสขันของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยการเกิดเนี่ยเป็นเหตุ น, นามาซึ่งทุกข์เหล่านั้นท่านต้องบอกดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตันหา อะไรคือสร้างอัตภาพอะไรคือสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราท่านทั้งหลายตัณหาบวกกับกรรมบวกกับอวิชชาในอดีตไอตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างไอตัณหาเป็นตัวเชื่อมมีไหมเป็นตัวเหตุของทุกไอตัวกรรมกับเจตนากรรมทั้งหลายต้งเป็นกุศลกรรมได้กุศลกรรมทั้งหลายนี่แหละอวิชชาก็ปิดทําให้เราเห็นว่าการเกิดน่ะดีไง การมีตาหูจมกูกเล่นกายใจในเนี่ยดีนี่แหละดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาท่านบอกว่าเราพบแล้วการตัดสรู้ของท่านนี่ยท่านพบว่าตันหานี่แหละเป็นเหตุเป็นโรงงานผลิตเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนตาหูจมกูกเล่นกายใจเป็นโรงงานผลิตมือหมาเลยท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าจะหมดตาหูจมกูกเล่นกายใจ ไม่ต้องไปเสียดายถ้ามันจะหมดไปในปัจจุบันนะพบมันยังรออีกเยอะตาหูจมุกเลิ้นกายใ จ, จเจ้าตาอะไระที่เราทำก็ว่าตาของอบยัยสัตว์ก็รออยู่ถ้าบอกว่าตาของสัตว์นรกงดงามไหมตาตาของสัตว์ดิบฉ า, านตาของเปตดตาของสุรกายตาของมนุษย์ มนุษย์พันไหนด้วยใงนี้จะมตาของเทวดาก็ชั้นไหนก็อีกตาตาของผมฉะนั้นเฉพาะจักขคูประศาส์นที่เราสร้างกรรมที่เราสร้างข้าไว้อีกเยอะมากที่เราจะต้องได้รับทือว่าตัวโรงงานผลิตตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นโรงงานมหือมาซึ่งเราท่านทั้งหลายยังไม่ได้ทำลายด้วยการรอบรู้ทุกขสัต์ แล้วก็ยังไม่ได้ไประชุมอัลยามากักเพื่อตัดวงจรของโรงงานเนี้ยพังโรงงานนี้เลยพังไม่ได้เลยแต่เรานั่งสบายใจกันอยู่เนี่ยใช่มไหม <c oughs> น่ากลัวไหมเราเลือกได้ไหมว่าอุ้ยเราไม่เอาแล้วตาของอบัตยศเราจะตาของมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเลือกได้ไหมคนมีบุญไม่พอเลือกไม่ได้ถ้าคนมีบุญพอเลือกที่เกิดได้แต่เราคอนโทรลได้ไหม ตอนนี้บุญเราน้อยมากไม่เหมือนพระพุทธศาสน์ใช่ไหมเวลาท่านจะมาถือปฏิสติท่านเลือกก่อนนี้การนี้เหมาะไหมเอ๊ะใครไปแอบว่าตอนเนี้ยเราควรจะเกิดในตระกูลไหนเห็นไหมเอ๊ะเราควรจะมีแม่ไปเกิดกับใครเงี้ยตอนมาเกิดเราไม่รู้เรื่องเลยอะเราไม่รู้เลยเราจะไปถือปฏิสติที่ในท้องของใครเพราะตายปุ๊บมันเบรกตัวเองได้ที่ไหนใช่ไหม ตายปบเ ด, ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้คนเป็นโลกเรือนกําลังจะตั้งคันไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอ า, เ อ, าอยู่ในช่วงเจ็วันพอดีนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาเดี๋ยวยับยัางก่อนจะเพิ่งตายเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบขี้ถามแม่ได้เลยเนี่ยฮักฮักคันที่จะไปถือประจัที่ได้เลยคิดได้ที่ไหนอย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถคํานวณหรือคอนโทรนอะไรได้เล ย, เยท่านบอกดูก่อนในช่างเนี่ยนะผู้สร้างเรือนคือตนหา เราพบท่านแล้วท่านจักสร้างเรือนเพืออัตภาพอีกไม่ได้ไหมท่านบอกตันหาท่านนะี่ยโรงงานนี้ท่านพังทิ้งหมดแล้วโค้งเรือนของท่านเราก็หักแล้วโคงเรือนพวกกิเลสทั้งหมดเนะ่ะที่เว้นตันหาออกแล้วก็เว้นอวิชชาด้วยยอดเรือนยอดเรือนก็คือช่อฟ้าเคยเห็นช่อฟ้าอุโบสถไหมนั่นเลยเหมือนยอดเรือนอวิชชาเน่ยเหมือนช่อฟ้าสวยไหมสวยนะนะนาประดับไหม อวิชาที่น่าประดับไหมนั่นนี่เพราะเราไปเห็นในเอาวิชางามเนี่นยหละมันก็เลยประดับขันกันอยู่ล่ําไปมันก็ปิดทําไมทําท่านถึงอุปมาว่าอวิชาเหมือนช่อฟ้าดรระดารู้ไหมรู้ไหมทําไมท่านถึงอุปมาว่าอาวิชาเหมือนช่อฟ้าช่อฟ้าเนี่ยที่อยู่สูงที่สุดของเรือนเนี่ยนะของอุโบสถเนี่ยเป็นจุดเด่นเป็นจุดงามที่สุด แล้วมันเป็นจุดของการคมคงล่างทั้งหมดอวิชานะ่ะเป็นตัวปิดหมดเลยปิดกระแสขันธาตุญานะหมดเลยทําให้สัตว์ตั้งหลายไม่เห็นทุกข์สัตว์นั้นสัตว์ตั้งหลายไม่เห็นทุกข์สัตว์ก็เพราะตัวอวิชาลระมันหุ้มมันปิดก็ลองคิดดูนะถ้าอาวิชาปิดเนี่ยของไม่งามเนี่ยวิปริตและดูงามได้ใช่ไม่ใช่ของไม่เที่ยงนะี่ยวิปริตจะดูว่าเที่ยงได้ ของที่เป็นทุกข์นวิปปรลิตรูให้เป็นสุขได้เลยเนี่ยของที่มันเป็นอนัตตาแต่ดูด้วยความเป็นอัตตาได้นี่เป็นอย่างนี้จิตของเราถึงนิพพานแล้วเราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาแล้วเนี่ยพระทีบังกรก็ได้ตรัสรู้เนี่ยอภิสมัยเบ็ดเสร็จแล้วในที่สุดจริงๆนั่นแหละเมื่อตรัสรู้แล้วท่านก็ประกาศพระธรรมเป็นไปตามลําดับ ก็ลายยาวไปเลยทีนี้ทีนี้พอยู่ต่อมาดีกว่านะพาธีบางกรอุบัติเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็มีเหตุการณ์สําคัญมาข้ามเลยนะก็คือในรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าเบื้องหน้าแต่การนั้นถึงพาธีบางกรสมเด็จพระโพธิสัตว์ทีบางกรโพธิสัตว์ทรงวอมเป็นบรมีมาถึงปริปากรสมัยจวนควรจะสุกรอบแล้ว ในปัตถุมชาติพระองค์ก็บังเกิดในตะครโพธ ร, รสุมเมธาราชเทวีวุอัครมยหสีสมเด็จพระสุเทวราชผู้พันธ์มหาหิสุรรยาสมรสมบัติในกรุงอมรวดีนครนี่นะสมเด็จพระธีปังกรบรมโพธิสัตว์ได้เสวยสิริราชสมบัติอยู่หมื่นปีก็ได้เห็นปุนพานิมิต ท, ทั้ง4และกระทรงสาะราชสมบัติสู่หมาเนสตคมในตัศรนุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นไม้เรียบอันเป็นโพธิมณฑลดังที่เรารายละเอียดมาเนี่ยนะ นาการนั้นสมเด็จพุทธัทงกูลโพธิสัตว์พระพิจาของเราองค์ปัจจุบันนี้นะพระองค์ได้อุบัติเกิดขึ้นในพราหมณ์กูลไทยบูนด้วยทรัพย์นับโกรธท่านมีอยู่ประมาณเนี่ยเลยเป็นแสนโกรธเนี่ยเลยนะมากในนคร น, นั้นต่อมาพระชนกชนนีร่วงลับพ่อและแม่ตายพอพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติท่านก็เป็นใหญ่แล้วใช่ไหมจ๊ะ อสมมติถ้าเราพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยในบ้านเราเราเป็นใหญ่ในทรัพย์ไหมเป็นใหญ่นะถ้าเป็นใหญ่เบียเศต์เราจะทำอย่างท่านไม่ต้องดูเนะยว่าท่านทำยังไงเรากล้าที่จะทำอย่างท่านตอนนั้นก็คือบอกว่าหลังจากนั้นน่ะนะถ้าถามบอกว่าสุมเมธาเนี่ยอาศัยอยู่ในคอนอมารวดีเป็นอุปโตชาต เกิดคือทั้งสองฝ่ายนั่นเองเจ็ดชั่วตระกูลเนี่ยไม่มีใครคัดค้านเป็นคนบริสุทธินั่นเองทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายมารดาเป็นต้นแล้วก็ในบรรดาคนที่รังเกียจกันด้วยชาติที่ไม่มีใครรังเกียจท่า น, นแล้วท่านก็มีรูปร่างที่งดงามได้ผิวพรรณก็งามศึกษาจบไตรเพศมีกเกี่ยวกับเรื่องของนิคันตุศาสตร์เลย คาตูพสัสสัตเอยอักคราศาสตร์ครบห้ามีสี่หาตะอิติติหัสาเป็นท้าเนี่นะชํานาญในบทกวีชํานาญในไวยากรณ์ชนานาญในโลกยตะศ า, นนาสตร์แล้วก็ชํานาญในมหาปุริสุรคณาด้วยสังเกตดูรนี้ว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นแบบเนี้ยดูปั๊บเนี่ยรู้เลยเนะี่ยท่านคนนี้เป็นผู้ไเจ้าหรือไม่เป็นถ้าอย่างเราไปเห็นผู้ไดเจ้าเราจะมองออกไหยไม่ออกหรอกเพราะเราไม่ได้เราไมไ่ไม่ได้เรียนมาหาปุริสุรคณามาใช่ไหม ไปเห็นก็แปลกดีเทวดามั่งเราก็ไปเข้าใจแบบนี้นี่นต่อไปไปทรงสูตรนี่ให้ได้ในลักษณะสูตรในทีขณิากายรีไปดูเสียจะไม่ฝังไวในกระแสะใจให้ได้ว่าเห็นบริษัทิ์นี้จำเลยโอเนียคนมีลักษณะของพวกบริษัทิ์แต่มารดาของสุเมธบัณดิตได์ได้ตายครั้งที่เขายังเป็นเด็กรุ่นอยู่เป็นต้นเราเนี่ยนะพ่อแม่พ่อแม่และมารดาก็ตายพ่อพ่อและแม่ก็ตาย สหายก็จัดการทรัพย์ของเขานําบัญชีมาบอกเลยเปิดห้องให้เห็นเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่านี่ไงนี่ไงทองนี่เนี่ยแก้วมุกดานี่ไงเงินว่าน้นก็บอกว่าเนี่ยค่าแต่นายหนุ่มนะทรัพย์ส่วนนี้เป็นของมารดาทรัพย์ส่วนนี้เป็นของบิดาทรัพย์ของนี้เป็นของปู่ทรัพย์นี้เป็นของทวดไล่ไปตามแบบนี้เจ็ดชั่วตระกูลว่าังนนะมีมอบให้บอกท่านจงดําเนินการทรัพย์นี้เถิดเขาก็รับว่าดีแล้วท่านแล้วก็ทําบุญทั้งหลายก็อยู่ของเรือนว่าน้น ต่อมาวันหนึ่งสุเมธบัณฑิตเพลินอยู่ในกาบคุณนะคือนั่งอยู่บนประาระสาทนั่งขัดสมาธิดำริเอ๊ะขึ้นชื่อว่าการปฏิสนธิในพบใหม่การเกิดในพบใหม่ท่า น, นคิดท่านนะเออเป็นทุกข์ว่างั้นเห็นไหมยังไม่ได้ฟังอะไรจากใครเลยนะเนี่ยยี่งยอมตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราคิดแบบนี้ไหมโอ้การเกิดเป็นทุกข์คิดบ้างไหมแสดงยังไม่ไมีความคิดอย่างพระโพธิสัตว์นะเนี่ยนี่ดูพระโพธิสัต์ท่านคิดใช่ไหม ท่านบอกเออการเกิดนี้เป็นทุกข์ว่างั้นแม่แสนจะเจ็บปวดประกอบไปการแตกดับแห่งสรีร้ในที่เกิดแล้วเกิดเล่าก็เหมือนกันก็เป็นทุกข์ว่างั้นเออท่านคิดอย่างนี้นะอีกก็เรามีชาติคือการเกิดชราคือความแก่ปัญาที่คือความเจ็บไขมรณะเป็นความตายเป็นธรรมดาอยู่อีเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อชาติมีเนี่ยเราควรแสวงหาสิ่งที่ไม่มีชาต์ ไม่ใช่ว่าแสวงหาสิ่งที่ตอนนี้มีชาติอยู่ไหมชาติไทยมีไหมตอนนี้เรารักชาติไหมชาติปีทุกขาไหมชาติตัวนี้ไม่น่ารักใช่ไหมชาติคือการเกิดไม่น่ารักแต่ถ้าไปเกิดในประเทศใดในเมืองใดก็ต้องกตัญญู่ในที่นั้นในเมืองนั้นใช่ไมอันนันก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดจริงๆอ่ะการกรตัญญูไม่ใช่ติดยึดนะใช่ไหมรักชาติ รักแบบตัณหารักแบบเมตตาถึงจะดีรักแบบเมตตานะรักแบบเมตตารักแบบให้รักแบบรักแบบเสียสละไม่ใช่รักแบบยึดรักแบบขังใครรักแบบหลงไหลรักรักแบบผูกติดอย่างนั้นก็เรียกรักแบบบ้าคลั่งมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีใช่ไหมทีนี้ชาติคือการเกิดเนี่ยไม่น่ารักเลยเพราะชาตินั้นเป็นชาติที่บีทุกขา ท่านก็พิจารณาแสวงหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชาติสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชะลาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพยาธี่ละมลณะนะท่านก็เออควรแสวงหาพระนิพพานก็ชาติสุดท้าย อ, อชาติที่ใกล้ๆอยู่ไป็นอย่างเนี้ยนะอันไม่มีชาติชะลาพญาทีเป็นที่จําเรืญสุขที่จะพ้นจากการท่องเที่ยวไปในภพเป็นต้นไดน้ท่านก็มาพิจารณาบอกว่าจะพึงมีได้เด้๋ยมั๊ก ก็ทางใดทางหนึ่งเพื่อจะให้ถึงวันนิพพานเนี่ยแต่ท่านก็พิจารณาว่าเอ๊ะนี่ในโลกใบนี้มีทางเดินเยอะแยะแล้วทําไมทางเดินให้พ้นจากชาติน่าจะมีทางเดินให้พ้นจากชราพยาธิและมรณะจะต้องมีแน่นอนใช่ไหมก็ทางเดินไปหาชาติมันมีนี่เอาที่เราเดินกันไปนี่เดินไปหาชาติไหมเนี่ยเดินไปหาชาลาใช่ไหมเดินไปหาพยาธิเดินไปหามรณะอ๋อเราจะเดินไปหาสิ่งที่ไม่มีชาติไม่มีพยาธิไม่มีมรณะไม่มีชาลาเมันจะต้องมีอ่ะ นี่ท่านคิดหาอาริยมรรคทันทีใช่ไมแสดงว่าข้อมูลท่านดีใช่ไหมใช่เหมือนอย่างว่าธรรมดาเนี่ยสุขเป็นข้าศึกต่ทุกข์มีอยู่ชั้นใดเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดที่เป็นข้าศึกของความเกิดก็ต้องมีเช่นนั้นเราพิจารณาต่อไปบอกว่าความร้อนมีไหมแม้ความเย็นระงับความเราร้อนก็มีอยู่ชั้นใดนิพานเป็นเครื่องระงับไปคือกิเลสราคะาโทสะโมหะก็ต้องมีอยู่ชั้นนั้นนี่ท่านก็คิดท่านอย่างเนี้นะ ถึงแม้ว่าทำไม่มีโทษเป็นความดีที่เป็นปฏิบัติ์แต่ธรรมมัเป็นความชั่วลม้มรามวกนะก็มีอยู่ชั้นใดเมื่อความเกิดเป็นฝ่ายชั่วมีอยู่นิพพานที่นับได้ว่าเป็นความไม่เกิดเพราะห้ามความเกิดก็จะพึงมีฉันนั้นเมื่อท่านคิดในลักษณะอย่างนี้เราว่าสุมเมธาบัณฑิตท่านก็คิดบอกว่าบุรุษเนี่ยจมอยู่ในกองอุ จ, จะละหรือเห็นหนองน้ํามีน้ำใสสะอาดประดับด้วยบัวสายบัวขาว ควรแสวงหาหนองน้ำานคนะควรคำนึงว่าควรจะไปที่หนองน้ำนั้นโดยทางในหนอะการไม่ไปหาหนองน้ำนั้นไม่ใช่ความผิดของหนองน้าแต่เป็นความผิดของใครความผิดของบุรุษผูด้เดียวฉันใดนะถามบอกว่าถ้าเราตกอยู่ในหลุมอุจจระเรารู้ว่าหนองน้ำมีอยู่และใสสะอาดด้วยทางที่จะไปหาหนองน้ำก็มีอยู่ แล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่ไปหนองน้ำมันไม่วิ่งมาหาเราเป็นความผิดของหนองน้ํำไหมเป็นความผิดของใครความผิดของคนนี้ตกอยู่ในหลุมอุจจาระก็เราเนี่ยตกอยู่ในหลุมคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายความโศก ค, ความลำลายลลําพันธ์อยูใช่ไหมเราตกอยู่เนี่ยเหมือนหนองน้ําที่เราตกอยู่หลุมอุจจาระที่เราตกอยู่เนี่ย การที่ไม่ตะเกียรตะกายในการปีนขึ้นไปไปอาบน้ําเป็นความผิดของหนองน้ําเป็นความผิดของเราความผิดของเรานี่แหละไม่ใช่ของใครหรอกฉะนั้นท่านทั้งหลายตอนนี้เราตะเกียรตะกายอยู่ไหมเนี่ยตะเกียรตะกายแบบแข็งแรงไหมหรือหรือทําทีทําท่าแบบสงสัยจะไม่รอดสงสัยจะไม่รอดในใจวะอันนี้ก็พิจารณานะไปพิจารณาดูบอกว่า ตรงนี้ท่านก็บอกว่าเมื่อหนองน้ําใหญ่คืออมตะธรรมซึ่งเป็นเครื่องชําระมวลทินมีอยู่การไม่ไปสู่หนองน้ําใหญ่คืออมตะธรรมนั้นไม่ใช่ความผิดของหนองน้ําใหญ่คืออมตะธรรมเป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวฉันนั้นเหมือนกันทีนี้อุปมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกโจรเนี่ยนะบุรุษถูกพวกโจร ล, ล้อมกอาไว้ สมมติเราถูกโจรล้อไมไปหมดเลยกลับบ้านไม่ได้สมมตินะสมมติอสมตอสมติถูกร้อไมไ่หมดเลยใช่ไหมกลับก็กลับไม่ได้ทางหนีจริงๆมีอยู่ไหมมีอยู่นะถ้าบุรุษนั้นไม่หนีไปแต่เบพึ่งหนี้ตอนนี้นะฟังตามให้จบ ก็คือว่านั่นไม่ใช่ความผิดของทางนะเป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวแม้ชันใดเราท่านทั้งหลายถูกพวกโจรคือกิเลสคือราคาโทสะโมหามานะทิติวิจิกิฉาหิริกาโนโทะปะอุทธจักจับไว้ก็ห้อมล้อมไว้เมื่อทางใหญ่ทางที่รุ่งเรืองทางที่รุ่งโรดที่ไปยังมหาพนาครนก็คือพระนิพพานเนี่ย แม้มีอยู่ไม่สแสวงหาทางนั้นไม่ใช่ความผิดของทางแต่เป็นความผิดของบุรุษผู้ดเดียวนี่กระแสะขันทาศัยยตนะของเราท่านทั้งหลายนี่เนะี่ยมันถูกราคะโทสะโมหะมานาทิถิวิจิจฉาหีริการนโรตปะอุทธจารเนี่ยปิดลุมล้อมอยู่เหมือนถูกโจรล้อมอยู่อ่ะใครไม่ถูกโจรพวกนี้ล้อมอยู่ล้อมอยู่ไหม ไม่ใช่กิเลสคือราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันปิดล้อมกระแสขันธาตุอายตนะของเราอยู่ไหมอ้าวในทวารตาของเราในขณะ ท, ที่เราเห็นรูปสวยๆเราติดไหมถ้ารูปไม่สวยเราก็ไม่พอใจก็โทสะเกิดใช่ไหมทางทวารหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นในการฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องคิด น, นึกทั้งหลายเนี่ยหรือในกระแสขันธธาตุอายตนะของเราท่านทั้งหลายเนี่ย มันเต็มไปด้วยความยึดติดมันเต็มไปด้วยตัณหาหมานาืนะที่ที่นี่แปลว่าเรานะัถูกโจรล้อมอยู่คือราคะคือโทสะคือโมหะมาไม่ได้พูดถึงเหตุภายนอกแต่อบรมาเปรียบเทียบอย่าไปมองเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเพราะเราไม่ต้องการสร้างศัตรูใช่ไหมฮะคือต้องการอยากให้เห็นว่าโทษคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันปิดกระแสะขันทาอรัตนะของเราท่านทั้งหลายอยู่ แล้วเราก็หาทางออกไม่ได้ทีนี้พระเจ้าก็บอกทางเดินเราอยู่ทางที่จะออกไปจากวงล้อมคือพวกโจรทั้งหลายเหล่านี้ที่จับเราอยู่มีอยู่แต่การที่เราไม่แสวงหาทางถ้าบริษัทไม่แสวงหาทางเป็นความผิดของบุรุษของผู้บริษัทนั้นแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยทางเดินพระเจ้าบอกชัดเลยอบอกวิธีปฏิบัติ ด, ด้วยบอกข้อปฏิบัติ ด, ด้วยบอกตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วย ที่เราไม่มีศรัทธาที่จะเดินเนี่ยเป็นความผิดชัดๆเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ความไม่ใช่ไม่ใช่ยความผิดเป็นความผิดมากแล้วเรามันนอนหลับทับเสือกันอยู่เนี่ยนะคือบะเพทที่ว่าตอนมาในยุคปัจจุบันในบางทีที่แปลกมากในยุคนี้เป็นยุคที่ดึงกันยากเนาะทั้งพูดดึงทั้งพูดถึงดงปากันเหยียบปลายกันไปแนวไปแนวเนี่ย แรกจริงๆนะเป็นคนที่บางคนนี่โอยฟังพระธรรมใหม่ๆนี่ก็ตื่นรุ่นนึงนะเข้าน่ะเข้าไปได้ไม่ถึงสองสมเดือนน่ะเขาก็แปลกอามาเนึกแล้วเวลาอามาไปเจอคนที่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนนี่ยอามาก็ตั้งอัตยาศัยในใจนะ่ยตั้งในใจจะไปได้กินน้ำานะันเนี่ยอามาเห็นได้ทุกลายนะ่ะเขาก็แตกแยกบงนะังอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันมีทั้งอะไร มัดจูมานขันธมานกิเลสมานเทพุทธมานใช่ไมถ้าโทษอย่างนี้ค่อนชั่วไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยใช่มเอาถ้าขันธมานขันใคร <c oughs> กิเลสมานอยู่ในใจใครเ <c oughs> อาเลยใช่ไมเ <c oughs> ทพุทธมานจะแทรกซึมที่ขันของใคร <c oughs> มัดจูมานความตายขันใครตาย <c oughs> โอ้โหของเราหมดเลย อาพิสังขารมาเนื้อนะเจตนากรรมทั้งหลายเนี่ยนะเวลามันจะให้ผลมันให้ผลแก่ขันของใครเอาแล้สรุปแล้วเนี่ยเรานี่แหละใช่ไหมกิเลสแล้วพรอมานทั้งหลายมันก็ลุมลอ้อมนั่นทั้งหลายก็ไปรักษาเนือรักษาตัวไอ้ดีจใจมานเหล่านี้ล่อรวงไอ้นะแล้วมันทําให้เราหลงเราต้องทําให้มานหลงดินี่เราไปหลงทางเองไปติดบ่วงของมานในยุ่งเลยใช่ไหม งั้นต่อไปเราต้องบอกว่าต่อไปมารต้องหลงทางต้องหลงทางแน่ๆเราจะเดินทางเนี้ยทางนี้ไปแล้วเนะี่ยมารหลงหาเราไม่เจอแน่นอนแต่ตอนนี้มารหาเราเจออยู่ไหมโอ้โหเดี๋ยวมานั่งอยู่ตรงนี้ในส่วนจริงๆมารเห็นนุกทีเลยไปทําทีทําท่าแล้วก็บางทีกําลังตั้งใจในการศึกษาพระธรรมนี่นะเอามารเจ อ, อกแล้วนดี๋ยเขาเดี๋ยวมารกันสิ บ, บอกกราบสักทีที่ตอนนี้เขาชุมนมกันไม่ห่วงวังเลย โอ้ยใจไม่ดีใจไม่เยอะกันเนี้ยกับตัวใช่ไหมอย่ากลับเด็กนะไปายใหญ่อนะไรแต่เนี่ยจะแปลกดีเนี่ยนะเป็นไปในลักษณะบุรุษนั้นถูกพวกความเจ็บป่วยบีบคั้นนะเมื่อหมอที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยมีอยู่ถ้าไม่สแสวงหาหมอนั้นเนี่ยยอกไม่ยอมให้หมอเยียวยาความเจ็บป่วยนั่นไม่ใช่ความผิดของหมอเป็นความผิดของบุรุษผู้เดียวแม้ชั้นใด เราท่านทั้งหลายก็เจ็บป่วยเพราะอะไรราคะเป็นความเจ็บป่วยเนะืเป็นโรคโทสะก็เป็นโรคโมหะก็เป็นโรคมานะทิฐิวิจิกิชายีไดการโนตถปะอุทะจรโรคเหล่านี้บีบคั้นอย่างหนักไม่สแสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการระงับโรคคือกิเลสเหล่านี้ซึ่งมีอยู่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นความผิดของผู้นั้นผู้เดียวนะ ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์หรือไม่ใช่ความผิดของหมอไม่ใช่ความผิดของพระเจ้านะฉะนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่พระธรรมของพระองค์ยังอยู่เนาะการไม่แสวงหาพระธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าไม่ใช่ความผิดของพระธรรมนะจะเป็นความผิดของเราแต่ผู้เดียวโดยแท้ใช่ไหมตอนนี้เราเป็นคนป่วยไหมเนี่ยเป็นคนป่วยโดยโรคคือราคะโรคคือโทสะโรคคือโมหะ โรคคือมานะทิถิวิจิกิชาฮีริกาโนตภ า, าและอุทะจักป่วยระงมเรื่องใช่ไหมไข้หนักเลยจึงวิโยมว่าป่วยหนักเลยทนทุกข์มากตื่นขึ้นมาก็หน่าดำกังวลใช่ไหมวุ่นวายใจจิตใจก็ว้าวุ่นสารพัดเรื่องต่างๆเข้ามานั้นอย่าไปคิดนะกิเลสนั่นเองไม่มีอะไรเลยคนไปค้นมาก็คือราคาโทสามโมหะที่มันสมุมรุมอยู่ในกระแสขันของท่านทั้งหลายนี่แหละ มันก็เผาอยู่ตลอดเวลาเนี่แหละแล้วก็ไม่รู้จะเอาจัดการมันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ไปหาหมอคือพระพุทธเจ้าเตือนขึ้นมาไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนาะไม่ศึกษาธรรมไม่สาธยายธรรมจิตไม่น้อนไปในพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาในที่สุดจริงๆเราก็การกิเลสไม่ได้นะการความเจ็บป่วยไม่ได้ท่านคนคิดอย่างนี้เบ็เสร็จก็คิดยิ่งไปตามระดับบุรุษผู้ชอบแต่งตัวสวยๆงามๆนาะ ทิ้งซากศพที่ค้องคอเสียแล้วก็พึงไปสุกชั้นใดแม้เราก็จะทิ้งร่างกายที่เน่าไม่อะไรเข้าไปหาพระนครก็ดีผ่านฉันนะเออท่านอย่างนี้นะทีเ่เราเคยคิดไหมอาท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี้เคยคิดไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตไตเป็นตัวเราเนี่ยนะเหมือนซากสุนัขเน่าผูกคอเราบอก อาบน้ําแต่ละทีแต่งตัวที่โอซากสุนักเน่าเอ้ยเบื่อเลือกเกินเลยคิดงี้ขนาดนี้ไหมพอลูบหน้าแต่ละทีออย่ากันล้งหน้าซากสุนักเน่าติดไป่หมดเนี่ยนะทำไมก่อนเนี่ยมาไม่ค่อยเข้าใจบวชได้ไหมจีวอนเหม็นจักเอามาจะพูดอยู่แล้วนี่จีวร น, นี่เหม็นผ้านี่เหม็นจริงๆอะไรเหม็นรู้ไหมกายนี่เองเหม็นเลือเกินใช่ไหม ฉะนั้นผ้าโดยธรรมชาติไม่ได้เหม็นอะไรหรอกมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดบีปากาลาต่างๆน้ําไหลออกเขาต้องบอกว่ากิเลสคือราคาโทสามโมหะ ก, ก็เป็นน้ำหนองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็เป็นของไม่สะอาด เราท่านทั้งหลายเวลารูปารมตาตารมกันดารอรมละสารมณ์บทาปารมคันธารมละสารมโพธาปารมมากระทบทางทวารตาหูยบุกรินกายใจน้ำหนองคือกิเลสก็ไหลเยิ้มออกจากทางทวารตาราคาโทสะโมหะก็ไหลเยิ้มโทสะโมหะไหลออกทางทวารตาหูยบูกลินกายใจก็กิเลสโอปมาเหมือนน้ำหนองเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี่ยน้ำหนองก็ไหลเยิ้มเต็มตรีลามเลยนี่เรามองไม่เห็นไงพระอริยะทั้งหลายนั้นมองเห็นหมด พระรยาทั้งหลายท่านเห็นนิกรีตคือน้ำหนองเนี่ยไหลท่วมทับกระแสขันทาศรีะท่านหน้าของพวกเราทั้งหลายเต็มไปหมดถูกไหมท่านในธรรมดาภาษาของท่านเดินผ่านมาตรงนี้ท่านจะบอกว่าใครมาเดินชฉยกินเต็มไปหมดเนี่ยคือปล่อยกิเลสพุ่งพ่านเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลองคิดดูในขณะที่เรากําลังว้าวุ่นจิตใจลองคิดดูถ้ามองให้เป็นน้ำหนองมันไหลมาทางทวาลูกหัวโยมก็ร่นไยใจด้วยดีเราจะเห็นว่ากิเลสนี่เป็นน้ำหนอง มันไหลท่วมทับกระแสขันท่าได้ยตนาของสัตว์ทั้งหลายอย่างเหลือประมาณนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันหนึ่งสตรีนะถ่ายอุจลาระปสวะลงที่พื้นดินที่เปื้อนอุจลาระปสวะแล้วถามบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่เขาไปถ่ายถ้าคนโบราณจริงๆก็ถ่ายลงในที่กลางทุง่งกางท่าเนี่ยเขาเรียกไปทุง่งไปทุ่งเนี่ยเขาไปถ่ายอุจลาระปสวะสมัยก่อนก็ไม่มีไม่มีส้วมเนี่เหมือนอินเดียปัจจุบันเนี่ย เขาอย่างนั้นเขลยไปทุ่งไปทุ่งเนระู้กันเลยนะก็ไปถ่ายถามว่าถ่ายเบเสร็จแล้วเาก็กรอบออกอุจลปัสสาวะเนี่ยใส่ถุงใส่ห่อพกกลับมาบ้านไหมท่านไม่เอากลับมาหรอกท่านก็เห็นว่ากายนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละเราจะทิ้งกายนี้เหมือนกับทิ้งอุจะจากแม่อะายอวร์เนี่ยจะออกจากกายนี้แล้ววังจะออกจากขันแล้วเห็นขันเป็นอุจะเลย เมื่อไหรเนาะเราจะเห็นเป็นแบบนั้นสัทีถามพระธาเห็นขันธ์ธาตุอริยตนะเป็นอุจจาระนี้เราอยากจะบำรุงไหมอยากจะดูแลอยากจะประคบประงมไหมอยากจะเช็ดถูอย่างดีเพลิดเพลินกับมันไหมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเช็ดอุจจาระให้ดีหน่อยล้างให้ดีๆหน่อยจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมมีความรู้สึกเมื่อไหรเนาะจะทิ้งเมื่อไหรเนาะจะทิ้งนันคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดยังไงใช่ไหมแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นน่ ถ้าเราแค่มองกลับไปข้างในได้เนี่ยเราก็จะเห็นด้วยความเป็นสิ่งโซโคภริคูลเต็มไปหมดจริงๆใช่ไหมใช่ธรรมดานาเรือทั้งหลายละทิ้งเรือที่น้ําคลําค้าไปยไม่มีเยื่อใยชั้นใดเลยนะที่น้ําคลําเลยนะที่คลําค้าเมื่อเราก็จะละทิ้งกายนี้ที่โซโคกไหลออกก็าบอกมีสิ่งโซโคกไหลออกจากปากแผลทั้งเก้าทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายใช่ไหม แล้วกัทวานหนักทวานเบาสิ่งโซโคก็ไหลเยิ้มบอกยิ่งตลอดเวลาเนี่ยน้ำหนองคือกิเลสก็ไหลเยิม้มยิ่งตลอดเวลาทั้งที่เป็นน้ำหนองจริงๆแล้วกิเลสที่อุปมาประดุดังน้ำหนองก็ไหลกันอยู่อย่างเงี้ยต้องคิดดูที่กระแสขันสัตว์นี่บริสุทธิ์ไหมแม่พระเจ้าจึงบอกสัตตานังวิสุทธยาเพื่อความหมดจดบริสุทธิ์ของเราสัตว์เ ด, เ, เ, เดินทามทางเนี่ยอริยมรรคเดินที่เดินไปแล้วสัตว์นั้นจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ต่อไปน้ำหนองจะไม่ไหลเปรอะกระแสขัน ต่อไปกระแสขันท่าระยะสะอาดหมดจดจริงๆด้วยก็ว่าไปเดินตามทางที่ท่านบอกไว้อันหนึ่งบุรุษพาพกพารัตนะอย่างมากมีแก้วมุกดาเป็นต้นเหล่านี้นะแก้วมณีแก้วไปยทุนด้วเดินทางไปกับหมู่โจรเนนะี่ยจำต้องทิ้งโจรเพราะกลัวสูญเสียรัตนะถือเอาแต่ทางที่กเกษมปลอดภัยชั้นใดกายที่เน่าเปื่อย น, นี้อุปมาเหมือนกับโจรป้นรัตนาเอ๊เราจะเห็นยังไงอ่ะ เห็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเห็นใจเนี่ยนะโดยความเป็นโจรป่นเป็นเรือนละเป็นโจรป้นเนี่ยก็จะเห็นยังไงเป็นมหาโจรเน่ยนะเรากำพิจารณาโอ้ยเราดูแลมหาโจรประกอบประงมมหาโจรมันต้องหนีอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นนะถ้าเราขืนอยู่ในกายนี้โจรมันจะป้นอะไรป้นสติปัฏฐานสมปัติานรมนิธิบาทป้นเกลียงหมดไม่มีรัตน์หายหมด ศีลก็หายสมาธิปัญญาก็หายไม่มีเหลือก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวถ้าเรายังคบกายนี่อยู่ยังคบยังครบรูปน้ำอยู่เนี่ยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็ ει, เลยอริยทรัพย์หายเกลี้ยงฉะนั้นอย่าคบกับโจรเพราะมันจะป้นรัตนะเข้าใจยัง ครั้งนั้นสมเมธาบัณฑิตคุณคลิสเหตุเนคข ม, มะบา ร, รมีเป็นต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือการออกจากกามออกบวชปลดปลดงจากเครื่องรุมยั่วยายาวทั้งหลายก็คือพระนิพพานและข้าปฏิบัติถึงพระนิพพานเรียกว่าเนคข ม, มะทั้งนั้นเนี่ยนะอุปมาดังที่ได้กล่าวแล้วคิดแล้วก็บีดาและปู่ย่าตายายของเรารวบรวมทรัพย์เหล่านี้ไว้ไปปรารภกันหมดแล้วเขาไม่สามารถจะพาทรัพย์ไปได้แม้แต่กะหาปานาเดีย ว, วงั้นท่านคิดท่านอย่างเนี้ยเออก็าพากันตายกันหมดเลยเนี่ย ที่เก็บรับมาให้เราเยอะแยะเบ็ดเสร็จทงเนี้ยไม่เห็นมีใครนำไปได้แม้กั่หนึ่งบาทใช่ไหมใช่เอแล้วเราจะมาแบกไปทำไมเนี่ยเราจะมาแบกเฝ้าแล้วก็จะตายไปโดยทิ้งไว้ทำไมท่านก็เลยประกาศเลยก็กราบทูลพระราชาข้าแต่มหาราชข้าพระบาทมีหัวใจถูกชาติชลาพญาที่รบกวนอย่างหนักเรากล้าไมมีมรับมากๆกล้าไปเฝ้าพระเยบิดิ น, นหมข้าแต่ เข้าไปฟาว่ า, าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ในถูกชาติชราพญาทิกรบกวนอย่างหนักใจไข่อยากจะสละอยากจะออกบวชขอสละทรัพย์เหล่านี้ให้กับแผ่นดินกล้าไหมขอไปครึ่งอย่างมีโดยมากก็อย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะดยมากเราไม่เคยกล้ากันเนี้ยนะไม่กล้าที่จะฝังทรัพย์ลงในพระพุทธศาสนาใช่ไหมไม่กล้า อันนี้พูดไม่ใช่แบบให้ทําบุญแบบบา้าคลั่งนะให้ทําบุญโดยการที่ว่าน้อมไม่ถูกนั่นประการหนึ่งนี่การหนึ่งว่าถ้าใจแนตะ่ถ้าเบอร์มีทําไม่ถึงเนะ่ยบอกยังไงเราก็ไม่ทําหรอกใช่ไหมฟังไปหลับไปได้ไหมไใช่ไม่ใช่เพราะใจมันไม่ใจมันไม่ถึงตรงนั้นท่านก็เลยมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่าหัวใจของท่านนะ่ะคือจิตใจของท่านเนี่ยตอนนี้ชาติ ชลาพญาที่มรณะเนี่ยมลุ่มเล้ามากใจอยากจะออกบรระชาง้ข้าพระบาทมีหัวใจถูกชาติพญาทเนี่ยนะเป็นต้นเราเนี่ยนะรบกวนจำต้องออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนข้าพระบาทมีทรัพย์อยู่หลายแสนโกดอยู่หลายแสนโกดขอพระองค์ผู้สมมุติเทพโปรดทรงดำเนินกับทรัพย์นั้นเถิดพระเจ้าค้าพระราชาก็ตรัสว่าเราไม่ต้องการทรัพย์ของท่านดอก ท่านนั่นเองจงทําปลาความตามความปลาเถนาพระราชากู๋ไม่เอาหรอกพระราชามีเยอะท่านก็คิดว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วก็ตีกองเลยให้เขาตีกองเนี่ยพระนครให้ใหมาชนแล้วก็ละวัตถุ ก, กรรมกิเลสกรรมแล้วก็แจกไม่ทันก็รีบออกเร็วเปิดประตูให้เขามาเอาเองเสียเวลานั่งแจกอ้นี้มีเบรกไหมมีเบรกนะ อ่ะงั้นก็เบรกกันก่อน